มันมีคำถามง่ายๆนะแม่กับลูกนี่ใครเกิดก่อนนะแม่ก็ต้องเกิดก่อนลูกใช่ไหมแต่มองให้ดีนะมีลูกก่อนถึงจะมีแม่นะใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถ้ายังไม่มีลูกเราก็ไม่เรียกว่าแม่หรอกเราจะเรียกว่าเขาเป็นแม่ก็ตั้่เมื่อเขามีลูกจะเป็นลูกในท้องหรือว่าคลอดออกมาก็ตาม พูดอย่างนี้นี่ก็แปลว่าลูกมาก่อนแม่นะพี่กับน้องก็เหมือนกันนะเราไปคิดว่าพี่มาก่อนน้องตามมาทีหลังแต่ถ้าเกิดว่าคนเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเด็กโทนเนี่ยเราไม่เรียกเขาว่าพี่หรอกเราจะเรียก ว, ว่าเขาเป็นพี่ก็ต่อเมื่อ เขามีน้องพอมีน้องก็ถึงเรียกเขาว่าพี่ใช่หไหมคนคนหนึ่งจะเป็นผู้นำได้ก็ต่อเมื่อเขามีลูกน้องถ้าเขาอยู่คนเดียวเราก็ไม่เรียกว่าเขาเป็นผู้นำหรือว่าหัวหน้าจะเป็นหัวหน้าได้ก็ต้องมีลูกน้องก่อนไม่มีลูกน้องก็เป็นหัวหน้าไม่ได้ เพราะฉะนั้น่ะลูกน้องนี่มาก่อนหัวหน้านะคนคนหนึ่งถ้าอยู่คนเดียวเราก็ไม่เรียกว่าเขาอยู่ข้างหน้าเราจะเรียกว่าเขาอยู่ข้างหน้าก็ต่อเมื่อมีคนอยู่ข้างหลังเขาพอมีคนอยู่ข้างหลังเขาเราถึงจะเรียกว่า คนนี้เป็นอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นนี่หลังมาก่อนหน้านะไม่ใช่หน้ามาก่อนหลังถ้าไม่มีหลังนะก็ไม่เรียกว่าผู้ชายคนนี้อยู่ข้างหน้านะเหมือนกับบาดเนี่ยบาดเนี่ยถ้าตั้งอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะเรียกว่าบาดอยู่ข้างหน้าไม่ได้นะต่อเมื่อมีมีมียามา่ามาวางไว้อย่างเนี้ยถึงจะเรียกว่าบาดนี่อยู่ข้างหน้า มีญาตอยู่มีญามอยู่ข้างหลังก็ถึงเรียกว่าบาทอยู่ข้างหน้าพระนี่เขาก็แบ่งนะเป็นมหานิ ก, กายธรมยธธรมยุทธธรรมยุทธนี่ก็สร้างเกิดขึ้นสมัยรัชการที่สามคนก็มักจะพูดว่ามีมหานิ ก, กายก่อนึงค่อยมีธรรมยุทธแต่ที่จริงไม่ใช่นะมีธรรมยุทก่อนถึงจะมีมหานิ ก, กาย คนก็สงสัยก็มหานิกายมีมั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วทําไมถึงบอกว่ามหานิกายมีก่อนจึงธรรมยุตมีก่อนจึงเกิดมหานิกายก็เพราะว่าก่อนที่จะเกิดธรรมยุตนี่ไม่มีคําว่ามหานิกายคำว่ามหานิกายเกิดขึ้นเมื่อมีธรรมยุตนะพอมีพระธรรมยุตขึ้นก็เรียกพระที่เหลือที่ไม่ใช่ธรรมยุตว่ามหานิกาย ไอ้ถึงบอกว่ามีธรรมยุกต์ก่อนจึงมีมหานิกายอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะไอ้คําว่าหน้าหลังแม่ลูกพี่น้องหัวหน้าลูกน้องเนี่ยมันเป็นสมมุตินะไอ้ไอ้โลกสมมุติเนี่ยเราเป็นโลกที่เราอยู่มันก็ซ้อนกับโลกที่มันเป็นความจริง สิ่งที่สมมุติมันก็เป็นความจริงเหมือนกันแต่เป็นสมมุติที่เรากำหนดขึ้นมาอย่างเช่นแม่กับลูกเนี่ยแม่ก็มาก่อลูกก็จริงแต่ความเป็นแม่เนี่ยมันตามมันมาทีหลังความเป็นลูกนะมีลูกแล้วจึงเกิดแม่ขึ้นอันนี้เรียกว่าสมมุติเนี่ยในโลกสมมตินี่มัน มันก็ไม่เหมือนกับที่เราเข้าใจกันเท่าไหร่ถ้าเราไม่คิดเราก็ไม่เราก็ไม่รู้นะและคนเราก็ตกอยู่ในภายใต้สมมุตินี่เยอะมากสมมุติมีไม้บรรทัดวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็บอกไม่ได้ว่ามันยาวหรือสั้น เราจะบอกได้ว่ามันยาวก็ต่อเมื่อเอาดินสอมมาทาบเราก็จะบอกว่าเอ้น้ำมันทัดยาวแต่ถ้าเกิดว่าเอาเอาล่มมาเทียบร่มยาวนะไม้มันทัดก็กลายเป็นสั้นไปเลยอันนี้เราเรียกว่าสมมุตินะไอ้สมมุตินี่มันมันเปลี่ยนได้นะ มันเปลี่ยนได้มันขยับได้มันสั้นหรือยาวนี่มันเป็นของที่ไม่เที่ยงนะขึ้นอยู่กับ ว, ว่ามีอะไรมามาเทียบให้เวลาเราบอกว่านี่ยาวๆเนี่ยมันก็ยาวในในแง่หนึ่งแต่ว่าในอีกสถานการณ์หนึ่งมันกลายเป็นสั้นถ้าเรารู้เท่าทันสมมติก็ดีแต่ถ้าเรารู้ไม่เท่าทานันเราก็เป็นทุกข์ หรือว่าก็เสียท่าสมมุติเราไปซื้อดินสอที่ร้านร้านหนึ่งอาปากกาดีกว่าเขาบอกปากกานี้ด้ามละยี่สิบบาทแต่ว่าเพื่อนที่มาด้วยเขาบอกเราว่าอีกร้านหนึ่งเนี่ยเขาขายสิบห้าบาทอยู่ตรงหัวมุมนี่เองหัวมุมถนนนี่ ถ้าเป็นเราเราจะซื้อดินสอร้านนี้มหมร้านที่บอกยี่สิบบาทเพราะเพื่อนเราบอกมีอีกร้านหนึ่งลดราคาสิบหาบาทแค่นั้นอนะ่ะยี่ห้อเดียวกันเหมือนกันเลยเดินไปอีกสักสิบนาทีเนี่ยเราซื้อไหมหลายคนบอกว่าซื้อหมายถึงเราไปซื้อร้านอีกร้านหนึ่งนาทีรลดราคาก็มันต่างกันต้องห้าบาท แต่ว่าสมมุติหมายว่าเราไปไปห้างสปปรรพสินค้ า, าไปสเปกอีกร้านหนึ่งก็ได้จะไปซื้อ m อ3 MP3 สามเอสามนี่เครื่องนี้ราคาห้าร้อยบาทแต่ว่าเพื่อเราบอกว่าอีกร้านหนึ่งห่างไปสักสิบนาทีเนี่ยเขาขายถูกกว่าไม่ใช่ห้าร้อยเขาขาย4ี่บ้อยก้าสิบห้า เราจะเดินไปซื้อร้านที่เขาขายถูกกว่าหรือเปล่าส่วนใหญ่บอกไม่ก็ซื้อร้านร้านนี้แหละห้าร้อยก็ห้าร้อยนี่มันก็น่าคิดนะว่าอทําไมตอนซื้อปักกาเนี่ยซื้อยี่สิบร้านนี้ยี่สิบแต่เขาแต่มีอีกร้านหนึ่งขายสิบห้าเราก็ยอมเสียเวลาไปซื้อร้านที่ขายสิบห้าบาทเพราะว่ามันลดราคาต่ํากว่าห้าบาท แต่เวลาไปซื้อ mp สามราคาก็ต่างกันห้าบาทเหมือนกันแต่ทำไมเราไม่ไปซื้อร้านที่มันขายสี่ร้อยเก้าสิบห้าเราก็ยังซื้อร้านที่ขายห้าร้อยอยู่ก็ห้าบาทเหมือนกั น, นแต่ทำไมร้านหนึ่งเราแต่ทำไมปักตาเราไม่ยอมเสียยี่สิบเรายอมเสียสิบห้า แต่ว่าซื้อ m อ3สมเราไม่ยอมจ่ายเรายอมที่จะซื้อห้าร้อยไม่อยากจะเดินไปอีกลาหนึ่งเพื่อจ่ายน้อยกว่าห้าบาทห้าบาทเหมือนกันแต่ทำไมเราตัดสินใจต่างกันอันนี้ก็อาจจะตอบได้ว่าเพราะว่า5้าบาท ในกรณีซื้อปะการเนี่ยมันเป็นเงินใหญ่แต่ห้าบาทในกรณีที่ซื้อ mp สามเนี่ยมันเป็นเงินเล็กแค่นั้นเองขี้เกียจเดินหบาทก็ห้าบาทนะจ่ายจ่ายแทงหน่อยห้าบาทก็เอาห้าบาทเนี่ยจำนวนเท่ากันแต่บางครั้งมันเป็นเงินเล็กแต่ในบางกรณีมันเป็นเงินใหญ่ ถ้าเป็นเงินใหญ่เราก็ไม่ยอมเสียเราก็ยอมยอมเดินยอมเสียเวลาสิบนาทีไปซื้อที่ถูกกว่านี่ก็สมมุตินะความเงินใหญ่เงินน้อยเนี่ยนะมันก็เป็นสมมุติในบางครั้งห้าบาทเป็นเงินใหญ่แต่ในบางครั้งห้าบาทเป็นเงินเล็กแต่การตัดสินใจของเราเนี่ยนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า ตัวเลขที่แท้จริงนะมันขึ้นอยู่กับว่าความรู้สึกเราใช้ความรู้สึกมากกว่าห้าบาทที่ลดราคาดินสอนี่มันใหญ่ส่วนห้าบาทที่ลดราคาไอพีสามันเล็กให้จะว่าไปคนเรานี่เรียกว่าถูกสมมุตินี่ลวงได้เยอะนะ อาหารที่เรากินอยู่ในปาก่ะเวลาเราเคี้ยวข้าวเนี่ ย, ส, ini, ย, right. ยสิ่งที่เราเคี้ยวนี่เราเรียวกว่าอาหารใช่ไหมเวลาเราเคี้ยวข้าวสิ่งที่เราเคี้ยวเราเรียกว่าอาหารแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่อยู่ในปากเราถ้ามันออกมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่หน้าเราเร า, เราเรียก ว, ว่าอะไรเรียวกว่าขยะ <đ perfect slapped> มันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะเพียง <fin ly asia> แต่ว่าอันหนึงอยู่ในปากเราก็เรียวกว่าอาหารแต่พอออกจากปาก มันเปลี่ยนชื่อทันทีเลยเป็นขยะนะแล้วก็ไม่น่ากินด้วยทั้งทั้งที่รสชาติเหมือนกันเลยนะที่อยู่ในป่าแล้วก็ที่อยู่ข้างหน้าไม่เชื่อก็ลองดูก็ได้นะแต่ทําไมอันที่อยู่ในป่า น, นี่เราเคี่ยวด้วยความอร่อยมีความสุกโอ้ยนะช็อกโกแลตเอ้ยนะผลไม้เอ้ ย, นะา ม, า ย, ยมันอร่อยแต่พอออกมาข้างนอกเนี่ยเราเคี้ยวไม่ลงแล้วถ้าจะเอากลับไปเคี้ยวใหม่ เพราะอะไรพอเราไปสมมุติว่ามันเป็นขยะพอเป็นขยะเราก็ไม่กินแล้วล่ะไม่เอาแล้วน่าเกลียดใช่ไห อ, อไม่เพียนเออนี่เรียกว่าสมมตินะเราก็หลงสมมุติเราหลงสมมุติมากจะให้กลับไปเคี้ยวในปากไม่เอาแล้วมันขยะแล้วเนี่ยเนี่มันคือเราอยู่กับสมมติมากแล้วเราเราไม่รู้ทันแล้วเราก็เลยทูกพระสมมติไปเยอะเราก็ฝากเป็นข้อคิดนะอะเตรียมรับผ่